สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม้นะคะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วของการตามติดชีวิตโยคยีจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะนะคะเขียนจากเรื่องของท่านประสบการณ์ของท่านประวัติของท่านเป็นหนังสือเล่มหนาเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านได้เพราะว่า เรื่องที่ห้องสูตรหลังใไม่นำมาเล่าให้ฟังนี้หยิบยกมาถ่ายทอดแค่ส่วนหนึ่งที่เหมาะกับสื่อเสียงเท่านั้นเองค่ะยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะที่รอให้คุณผู้ฟังไปอ่านตามความสนใจของแต่ละท่านท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสแสวงหาทางจิตวิญญาณสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวิธีคิดปรัชญาของสังคมฮินดู หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โอเล่มนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของโยคะสนใจในเรื่องของออชีวิตที่ที่สละแล้วซึ่งทางโลกนะคะมีความรักที่เป็นสากลแล้วก็เปิดกว้างเหมือนกับชีวิตโยคีการเข้าถึงพระเจ้าการเข้าถึงความเป็นจริง หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเป็นชีวิตของนักบวชในศาสนาฮินดูแล้วก็เป็นนักบวชที่ต้องบอกว่าเป็นนักบวชรุ่นใหม่นะคะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าวิธีคิดของท่านแล้วก็การสอนของท่านและประกอบกับการที่ท่านเนี่ยได้รับการศึกษาทางโลกถึงระดับปริญญาตรีทำให้ท่านสามารถที่จะสื่อสารกับโลกยุคใหม่ ได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับวิทยาศาสตร์กับชาวตะวันตกจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวอเมริกันมากมายวันนี้ค่ะที่ท่านเลือกบทที่44ซึ่งเป็นตอนที่ท่านเปรมหังษาได้เข้าพบท่านมหาตมะคานธีมาเล่าให้ฟังซึ่งนอกจากว่าเราจะได้ตามท่านเปรมหังษา ไปพบท่านมหาตามะมคานทีแล้วนะคะเรายังจะได้รู้จักกับมหาบุรุษมหาบุรุษร่างเล็กที่มีความยิ่งใหญ่สามารถที่จะทำให้อังกฤษยอมแพ้ด้วยหัวใจนี่คือมหาตามะคานทีหลังจากนั้นก็จะขอจบเรื่องชีวิตโยคีเอาไว้ที่26ตอน เช่นเดียวกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็จะปิดฉากลงอย่างเป็นการถาวอนกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วรอไปติดตามกันเลยกับชีวิตโยคีตอนที่26ไปพบท่านมหาตรมะคารทีกันค่ะ พระรมหังสายโยคานันทะท่านมีโอกาสได้เข้าพบท่านมหาตามะคานธีด้วยนะคะในเช้าตรู่วันหนึ่งของเดือนสิงหาคมในช่วงที่ท่านกลับมาอินเดียท่านได้เดินทางไปพบกับมหาตามะคานธีเป็นการพบกันครั้งแรกค่ะ ซึ่งท่านปรมาหังสานะคะท่านก็ได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยความประทับใจท่านบอกว่าท่านมหาตรมะเป็นคนร่างเล็กแต่ดูมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของท่านฉายชัดถึงสติปัญญาความสัตซ์ซื่อจริงใจและวิจารณญาณท่านบอกว่า รัฐบุรุษท่านนี้เคยประลองฝีปากและปัญญาและประสบชัยชนะในสงครามการเมืองสังคมและกฎหมายมาแล้วนับพันครั้งไม่มีผู้นำคนใดในโลกที่จะครองใจประชาชนของตนได้เหมือนเช่นที่ท่านได้ใจชาวอินเดียผู้ไร้การศึกษานับล้านล้านคนพวกเขายกย่องเรียกท่านว่ามหาตมะซึ่งหมายถึงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ และเพียงเพื่อผู้คนเหล่านี้เท่านั้นท่านจิงได้ใช้เพียงผ้าเตี่ยวหรือผ้าโทตีพันกายเพื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับมวลชนผู้ยากไร้ผู้มีได้แค่ผ้าพันกายเพียงผืนเดียวเช่นกัน ในวันที่ท่านปรมาหังษาไปพบกับท่านมาหาตามาคานทีนั้น เ, เป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันถือวัดเงียบประจำสัปดาห์ของท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านมาหาตามาคานทีจึงไม่สามารถที่จะกล่าววาจาใดๆโดยตรงกับท่านปรมาหังษาได้แต่ว่าท่านใช้วิธีการเขียนค่ะเช่นเขียนบอกว่ายินดีต้อนรับตอนที่เจอกันใหม่ แล้วก็เขียนว่าผู้คนในอาสมแห่งนี้ล้วนยินดีรับใช้พวกท่านหากต้องการสิ่งใดก็ขอความกรุณาเรียกใช้พวกเขาได้นะักขอรับคล้ายๆกับเป็นวันปิดวาจานะคะไม่พูดคุณเทศา อ, อีซึ่งเป็นเลขานุการของคันทีนะคะก็พาคณะของท่านปรม ห, หังษาโยคานันท์เนี่ยเดิน ตัดสวนแล้วก็ทุ่งดอกไม้ไปยังเรียนหลังคามุงกระเบื้องซึ่งเป็นที่พักอของท่านโยคานันทะแล้วก็ของคณะที่ไปในครั้งนี้ท่านก็บัญญายบอกว่าห้องนอนของพวกเราแต่ละคนเป็นห้องเล็กๆมีแต่เครื่องใช้จำเป็นที่ขาดไม่ได้เท่านั้นนั่นคือเตียงนอนที่เป็นของทามือเตียงนอนนี้สารถักขึ้นจากเชือกค่ะ ท้องครัวทาด้วยปูนขาวด้านหน้ามีกอกน้ำอีกมุมเป็นเตาหลุมสำหรับหุงหาอาหารมีเสียงแห่งความเรียบง่ายและสุขสงบแบบชนบทดังแววเข้ามาทั้งเสียงเรียกของอีกานกกระจอกเสียงร้องมอมอของบัวควายไปจนถึงเสียงตอกสิวกระเทาะหิน หลังจากมาถึงได้สองชั่วโมงก็มีคนเชิญคณะไปกินอาหารมื้อกลางวันท่านมหาตามะออกมานั่งใต้ชายคาระเบียงอาสมอีกฝากหนึ่งของลานกว้างตรงข้ามกับห้องทำงานของท่านหลังสวดภาวนาร่วมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีคนยกหม้อทองเหลืองใบใหญ่มาตักอาหารเสิร์ฟ อาหารมีทั้งจัปตีจัปตีก็คือแป้งจีแผ่นบางที่ทำมาจากแป้งโฮวิดพร้อมด้วยเนยใสมีตันชารีคือผักต้มหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็แยมมะนาวท่านมหาธรมะกินจัปตีหัวบีดต้มผักสดจำนวนหนึ่งแล้วก็ส้มจานอาหารของท่านด้านหนึ่งมีเสดาวบดรสขมปีกองโตซึ่งถือเป็นผัก ที่จะช่วยฟอกเลือดได้ดีท่านใช้ช้อนตักแบ่งเสดาส่วนหนึ่งมาใส่จานอของท่านโยคานันทะท่านโยคานันทะบอกว่าข้าพเจ้ากลืนมันลงคอโดยไม่เคี้ยวแล้วดื่มน้ำตามโดยเร็วในใจคิดถึงครั้งยังเด็กแม่ก็เคยบังคับให้ข้าวพเจ้ากลืนเสดาที่ไม่น่าพิสมัยนี้คำโตเหมือนกันแต่ท่านมหาตามรนั้นตรงกันข้าม ท่านกินสดาวบททีละคำทีละคำโดยไม่มีท่าทีกล้ามกลืนฝืนทนให้เห็นสักนิดจากเรื่องเล็กๆน้อยนี้ข้าพเจ้าจึงมองออกว่าท่านมหาตมะมีความสามารถในการที่จะแยกจิตออกจากประสาทสัมผัสได้ตามต้องการจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีการประโคมข่าวการผ่าตัดไส้ติ่งของท่านออกเผยแพร่ทางหน้าหนังสือพิมพ์เหตุเพราะ ท่านปฏิเสธไม่ยอมใช้ยาสลบและระหว่างผ่าตัดยังพูดคุยกับเหล่าสาวกอย่างร่าเริงจนผ่าตัดเสร็จเสียอีกรอยยิ้มอันสงบเยือกเย็นของท่านบอกให้รู้ว่าท่านมิได้รู้สึกเจ็บปวดเลยจากนั้นสองทุ่มตรงท่านมหาตามะ ออกจากการถือศีลเงียบนะคะท่านก็มาต้อนรับท่านโยคานันทะคือมาทักทายต้อนรับหลังจากที่เขียนต้อนรับยินดีต้อนรับขอรับท่านสวามีในขณะที่ท่านโยคานันทะก็เพิ่งลงจากหลังคามาอย่างห้องทํางานของท่านห้องทํางานของมหาตมะคารีมีเพียงเสือพื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเก้าอี้นะคะมีโต๊ะตัวเตี้ยที่มีหนังสือกระดาษและปากกาธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ปากกาหมึกซึมด้วยและก็มีนาฬิการายยี่ห้อส่งเสียงดังติกตกต๊กตอกติ๊กตอกมาจากมุมห้องมหาตามาคารทีบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนผมเริ่มถือวัดเงียบสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อให้พอมีเวลาตอบจดหมายบ้างแต่ถึงตอนนี้ ช่วงเวลา24ชั่วโมงแห่งการหยุดพูดได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นต่อจิตวิญญาณของผมอย่างที่สุดมันไม่ใช่ความทรมานแต่เป็นพรอันประเสริฐยิ่งคือในหนึ่งสัปดาห์จะมีอยู่หนึ่งวันที่ท่านจะไม่พูดเลยข้าพเจ้าเห็นด้วยจนหมดใจ ท่านมหาตามะสอบถามข้าพเจ้าในเรื่องของอเมริกาและยุโรปเราถกกันถึงสภาพการต่างๆของอินเดียและของโลกพอถึงเวลากล่าวราตรีสวัสดิ์ท่านมหาตามะคาญทีก็ยื่นน้ำมันตะไครห่หอมส่งมาให้ขวดหนึ่งแล้วก็บอกว่ายุ่งที่นี่ไม่รู้จักหลักอหิงสาหรอกนะขอรับท่านสวามิท่านพูดปนหัวเราะนี่คืออารมณ์ขันของมหาตามะคารทีนะคะ เช้าวันรุ่งขึ้นคณะเล็กๆของท่านโยคานันทะกินข้าวสาลีต้มใส่น้ำเชื่อมกับนมเป็นมื้อเช้าตั้งแต่หัวรุ่งพอ1ิบโมงครึ่งก็มีคนมาตามไปกินมื้อเที่ยงกับท่านมหาตามะรายการอาหารวันนี้มีข้าวกล้องหุงมเมล็ดกระวานและผักที่แปลกไปจากเมื่อวานอีกหลายชนิดพอตกเที่ยง ทานโยคานันทะก็เดินเล่นรอบรอบอาสมออกไปถึงทุ่งที่มีวัวยืนเล็มหญ้า ก, กินอยู่ไม่กี่ตัววัวเหล่านี้ไม่ตื่นกลัวคนท่านมหาตามะใส่ใจให้ความคุ้มครองแก่วัวเป็นพิเศษสำหรับผมแล้ววัวหมายถึงโลกทั้งหมดที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามนุษย์ทำให้มนุษย์ รู้จักเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาออกไปนอกขอบข่ายเผ่าพันธุ์ของตนโดยผ่านทางวัว น, นี้ที่มนุษย์ถูกบัญชาให้สำเนียกถึงความเป็นตัวของตนในท่ามกลางสรพรพสิ่งที่มีชีวิตผมมองออกได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดประดานฤษีในสมัยโบราณจึงเลือกเอาวัวมายกย่องบูชาประดุษเทพเจ้าวัวในอินเดียถือเป็นตัวเปรียบเปรยที่ดีที่สุด เหตเพราะวัวเป็นผู้ให้ในทุกสิ่งไม่ใช่เพียงแค่ให้นมแต่ยังช่วยงานในไร่นาด้วยวัวเป็นบทกวีแห่งความโศกเศร้าเราจะเห็นความน่าสงสารในตัวเจ้าสัตว์ที่แสนจะอ่อนโยนนี้พวกมันเป็นแม่คนที่สองของมนุษยชาตินับล้านล้านคนการให้ความคุ้มครองแก่วัวจึงหมายถึงการให้ความคุ้มครองแก่สรรพสิ่ง ที่พระเป็นเจ้าทรงรังสัรค์ขึ้นโดยไม่ได้ประธานความสามารถในการพูดให้เสียงวิงวอนของสัตว์ที่จัดว่าอยู่ในระดับต่ำกว่ามนุษย์นั้นทรงพลังยิ่งกว่าเหตุเพราะพวกมันพูดไม่ได้นั่นเองทานโยคานันทะท่านบอกว่าท่านรู้สึกทึ่งกับความเรียบง่ายที่โดดเด่น และสารพันธุ์หลักฐานแห่งความเสียสละที่มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปท่านมหาตามะปฏิญาณตนว่าจะไม่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในครอบครองหลังแต่งงานและท่านก็ประกาศเลิกอาชีพทนายที่กำลังรุ่งเรืองและก็สร้างรายได้ให้มากกว่าปีละ 20,000 ื่นเหรียญและก็ยังนำทรัพย์สินเงินทองที่มีแจกใจ่ายให้กับคนยากจนทั้งหมด ท่านมหาตามะไม่เพียงแต่สละทรัพย์อันเป็นวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้แต่ยังเลิกละความเห็นแก่ตัวและความใฝ่ฝันส่วนตัวคุณกัสจุรภัพภรรยาผู้น่าทึ่งของท่านมหาตามะไม่ได้คัดค้านที่มหาตามะไม่ได้แบ่งทรัพย์สินเงินทองมาบำรุงลูกเมียบ้าง ท่านมหาตามะกับภรรยาแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยและหลังจากให้กำเนิดบุตรชายสี่คนแล้วทั้งคู่ก็จะปฏิญาณถือพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกคุณกัสตูรภัยเป็นวีรสตรีผู้คงไว้ซึ่งความสงบในนิยายชีวิตอันเข้มข้นตลอดชีวิตที่ครองคู่กันมาเธอติดตามสามีไปเข้าคุกรวมอดอาหารด้วยกันนานสามสัปดาห์ และก็ร่วมแบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบอันไม่มีที่สิ้นสุดของผู้เป็นสามีอย่างเต็มกำลังเธอได้กล่าวยกย่องท่านมหาตามะเอาไว้ดังต่อไปนี้ฉันขอบคุณที่คุณให้เกียรติรับฉันไว้เป็นคู่ชีวิตและเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาชั่วชีวิตฉันขอบคุณ ที่คุณมอบชีวิตแต่งงานอันสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกให้กับฉันชีวิตแต่งงานที่มีรากฐานอยู่บนหลักพรหมจรรย์การควบคุมตนเองไม่ใช่เพศสัมพันธ์ฉันขอบคุณที่คุณถือว่าฉันเป็นเพื่อนเคียงบ่าเคียงไหลในการทำงานเพื่ออินเดียตลอดชั่วชีวิตของคุณฉันขอบคุณที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในบรรดาสามีผู้ใช้เวลาให้หมดไปกับสุรานารีภาชีกีฬาบัต และดนตรีเพราะเบื่อเมียเบื่อลูกเหมือนเด็กเล็กที่เบื่อของเล่นของตนอย่างรวดเร็วฉันขอบคุณคุณเหลือเกินที่คุณไม่ใช่สามีประเภทที่ทุ่มเทเวลาหาเงินหาทองด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นฉันขอบคุณเหลือเกินที่คุณเลือกเพราะเป็นเจ้าและประเทศชาติแทนลาบสักการะขอบคุณที่คุณมีความเชื่อมั่นและหานกล้า มีศรัทธามั่นคงและไม่เคยคิดกังขาในองค์พระเป็นเจ้าชั้นช่างมีบุญนักที่มีสามีที่เห็นพระเป็นเจ้าและประเทศชาติสาคัญกว่าภรรยาอย่างชั้นขอบคุณที่คุณมีความอดทนกับชั้นต่อข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่ประสาสมัยยังสาวตอนที่ชั้นบ่นว่าและต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่คุณนำมาสู่ชีวิตของเรา จากที่เคยมีมากกว่ามากมาสู่การมีน้อยกว่าน้อยสมัยยังเด็กฉันเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านพ่อแม่ของคุณแม่คุณเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่และดีงามท่านอบรมฉันสอนฉันให้เป็นภรรยาที่อดทนเข้มแข็งและกล้าหาญสอนให้รู้จักถนอมความรักและความเคารพที่มีต่อบุตรของท่าน หรือสามีในอนาคตของฉันเอาไว้เมื่อเวลาผันผ่านจนคุณได้กลายมาเป็นผู้นำที่ประชาชนนิยมรักใคร่ที่สุดในอินเดียฉันไม่เคยต้องนึกหวั่นเกรงเช่นภรรยาคนอื่นๆว่าจะถูกสามีทอดทิ้งหลังจากที่ตัวเขาประสบความสำเร็จอย่างเช่นที่มกเกิดขึ้นในประเทศอื่นฉันรู้ว่าต่อให้ตายไปเราก็จะยังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่ ักักครูนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังตอนสุดท้ายของชีวิตโยคีกันต่อชีวิตโยคีที่มีโอกาสได้พบกับมาหาบุรุษของโลกอย่างมาหาธระคานทีค่ะ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ประชาชนเคารพรักท่านมหาตมาคันทีเรียรรายเงินบริจาคมาตั้งเป็นกองทุนรวมได้หลายล้านค่ะแล้วก็ภรรยาเนี่ยรับหน้าที่เป็นเฮรัญยิกในสมัยนั้นนะคะก็มีเรื่องเล่าติดตลกคือเป็นเรื่องเล่าที่บรรดาสามีเนี่ยพากันกลัวนักกลัวหนา ไม่อยากให้ภรรยาสวมใส่เครื่องประดับมีค่าไปร่วมงานใดๆก็ตามที่มหาตระคานธีจัดขึ้นเพราะว่าท่านมีวาทศิลป์เหลือหลายในการที่จะพูดวิงวอนแทนคนยากคนจนจนกระทั่งกำไรทองแล้วก็สร้อยเพชรตามแขนตามคอของเศรษฐีนีทั้งหลายเนี่ยจะต้องระเห็ดลงไปอยู่ในตะกร้ารับบริจาคจนได้วันหนึ่งค่ะคุณกัสตูรภัย ภรยาของมหาตามะคานทีซึ่งเป็นเฮรันยิกของกองทุนไม่สามารถหาที่มาที่ไปของเงินสี่รูปีได้ท่านมหาตามะก็ยังตีพิมพ์ผลการตรวจสอบบัญชีตรงตามเวลาแล้วก็จี้เรื่องที่ภรรยาของท่านทําเงินในบัญชีหายไป4รูปีอย่างไม่ยอมผ่อนปรนใดๆเสียอีกท่านโยคานันทะมักจะนําเรื่องดังกล่าว ไปเล่าให้ลูกศิษย์ชาวอเมริกันฟังอยู่บ่อยครั้งเย็นวันหนึ่งก็มีสตรีผู้หนึ่งในห้องประชุมนะคะฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกขุนเคืองใจแล้วก็บอกว่ามหาตมะหรือไม่มาหาตมะก็เถอะถ้าเป็นสามีฉันละก็แม้จะเล่นงานให้ตาเขียวเชียวฐานที่บางอาจเอาฉันมาประจานต่อหน้าฐานและกำ น, นันโดยไม่จำเป็นเช่นนี้หลังกระเซ้าเย้าแย่กัน เรื่องภรรยาชาวอเมริกันกับภรรยาชาวฮินดูพอหอมปากหอมคอแล้วท่านโยคานันทะก็อธิบายให้ฟังว่าคุณกัสตูระไพไม่ได้ถือว่าท่านมหาตามะเป็นสามีแต่ถือว่าเป็นครุผู้มีสิทธิ์จะอบรมขัดเกล้าแม้กระทั่งความผิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆของเธอหลังเหตุการณ์ที่เธอถูกท่านมหาตามะตาหนิให้คนเขารู้กันไปทั่วผ่านไปภักใหญ่ท่านมหาตามะ ก็ถูกตัดสินโทษให้ติดคุกในคดีการเมืองขณะที่ท่านกล่าวลาภรยาอย่างสงบเธอก็คุกเข่าลงที่แทบเท้าท่านแล้วก็บอกว่าอาจารย์คะหากฉันได้เคยล่วงเกินท่านในประการใดขอท่านได้โปรโดยกโทษให้ฉันด้วยเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์นี้มีสองบทบาทนอกเหนือจากบทบาทของการเป็นสามีภรรยากันแล้ว ก็ยังมีบทบาทของการเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ด้วยในวันนั้นบ่ายสามโมงท่านโยคานันทะก็ตรงไปที่ห้องทำงานของท่านมหาตมะคือนัดกันไว้บ่ายสามโมงอพอไปถึงแล้วก็เริ่มต้นสนทนากัน ท่านโยคานันทาก็ถามบอกว่าท่านมหาตามะมขอรับท่านจะกรุณานิยามคําว่าอหิงสาในทัศนะของท่านให้กระผมฟังหน่อยได้ไหมขอรับท่านมหาตามะคานธีบอกว่าไอหิงสาคือการหลีกเลี่ยงไม่ทําลายสรรพชีวิตใดทั้งในทางความคิดและการกระทําขอรับ ทานโยคานันทาก็ถามว่าช่างเป็นอุดมคติอเลิศเลยนนักแต่ชาวโลกจะตั้งคำถามอยู่เรื่อยไปว่าเราจะฆ่างูเห่าเพื่อรักษาชีวิตเด็กคนหนึ่งหรือชีวิตของเราเอาไว้ได้หรือไม่ขอรับคันทีตอบว่าดังนี้ค่ะถ้าฆ่างูทิ้งก็เท่ากับว่าผมผิดคำปฏิญาณของตนทั้งข้อที่ว่าจะไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใดและจะไม่ล้างผลาญชีวิต ผมเลือกที่จะแผ่ความรักความเมตตาไปให้งูในรูปของกระแสจิตดีกว่าที่จะให้ลดมาตรฐานตัวเองลงตามน้ำผมทำไม่ได้หรอกขอรับแต่ก็ต้องสารภาพว่าถ้าเจอเข้ากับงูเห่าจริงๆผมคงทำใจเย็นสนทนากับท่านแบบนี้ไม่ได้แน่ๆขอรับในขณะที่สนทนากัน ท่านโยคานันทาก็เห็นว่าบนโต๊ะหนังสือเนี่ยมีหนังสือว่าด้วยอาหารที่โลกตะวันตกพิมพ์ขึ้นวางอยู่หลายเล่มท่านก็เลยชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะมหาตามาคาันทีบอกว่าใช่คอรับอาหารเป็นเรื่องสําคัญในกระบวนการสัตยาเคราะห์ไม่ต่างจากที่อื่นๆ ผมสนับสนุนให้ชาวสัตยาคารหิรู้จักควบคุมบังคับใจตนเองให้บริบูรณ์จึงพยายามเสาะแสวงหาอาหารที่จะช่วยส่งเสริมการถือพรหมจรรย์อยู่เสมอคนเราต้องควบคุมความอยากของปากให้ได้เสียก่อนจึงจะบังคับสัญชาตยาในการสืบลูกสืบหลานได้แต่การกินอาหารแบบพอการตายหรือขาดสมดุลก็ไม่ใช่คาตอบเช่นกัน หลังบังคับใจไม่ให้ตามใจปากได้แล้วเรายังต้องปฏิบัติตามหลักการขั้นตอนไปได้แก่การกินมังสวิรัตอย่างชอบด้วยเหตุผลคือต้องให้ร่างกายได้วิตามินแร่าธาตุและพลังงานอย่างเพียงพอเมื่อใจและกายของเรามีปัญญาในการกินเช่นนี้แล้วเราย่อมสามารถแปรน้ําเชื้อทางเพศให้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่จาเป็นต่อร่างกายโดยรวม โดยไม่ยากท่านมหาตามะและข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาหารชนิดต่างๆที่นำมากินทดแทนเนื้อสัตว์ได้อโวคาโดนั้นดีมากเลยขอรับข้าพเจ้าว่าและแวกศูนย์ของกระผมที่แคลิฟอร์เนียก็มีสวนอโวคา โ, โดยอยู่หลายแห่งเหมือนกัน ท่านมหาตามะคันทีก็มีท่าทางให้ความสนใจแล้วก็ถามว่าถ้าจะเอามาปลูกที่นี่เนี่ยจะขึ้นไหมท่านโยค า, านันทาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวท่านจะส่งต้นอะโวคาโดจากลอสแองเจลิสมาให้ที่นี่จากนั้นท่านโยค า, านันทาก็ถามต่อไปว่าไข่ก็โปรตีนสูงนะไม่ทราบว่าเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับคนที่ถือหลักอหิงสาด้วยหรือเปล่า ชาวสตยาคารหิก็คื อ, อก็คือคนที่ถือหลักอหิงสานะคะทีนี้คันทีก็บอกว่าสําหรับเรื่องไข่เนี่ยถ้าไข่ไม่มีเชื้อก็กินได้แล้วท่านก็หัวเราะเมื่อนึกถึงความหลังท่านบอกว่าผมไม่ยอมให้พวกเขากินไข่กันอยู่นานหลายปีเชียวขอรับกระทั่งตอนนี้ตัวผมเองก็ยังไม่กินไข่อยู่นั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่ง ลูกสะพายผมคนนึงป่วยหนักใกล้ตายเพราะขาดสารอาหารหมอที่มาตรวจยืนกรานจะให้เธอกินไข่แต่ผมไม่ยอมยังไงก็จะให้หมอหาอาหารอื่นมาให้เธอกินแทนไข่ให้ได้แต่หมอก็บอกว่าทัานคารทีคอรับไข่ไม่มีเชื้อไม่มีสเปิร์มที่มีชีวิตอยู่ถึงกินเข้าไปก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปลอกหนะ้าคอรับนั่นละ่ะ ผมถึงยอมอนุญาตให้ลูกสะภ้ายกินไข่ได้อย่างเบาใจในไม่ช้าเธอก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อคืนก่อนท่านมหาตมะแสดงความประสงค์อยากศึกษาศาสตร์แห่งกรยาโยคะของท่านลาฮิริมหาสยะจิตใจอันเปิดกว้างและวิญญาณอันใฝ่รู้ของท่าน อย่างความประทับใจให้กับข้ารเจ้ายิ่งนะักท่านโยคานันทะก็เปิดชั้นเรียนเล็กๆสอนกริยาโยคะคือหมายถึงวันนั้นเนี่ยก็เปิดเป็นชั้นเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็สอนการทำกริยาโยคะให้ เย็นวันสุดท้ายท่านโยคานันทะก็ได้ปราศัยในที่ประชุมมีผู้คนเนืองแน่นล้นไปถึงขอบหน้าต่างรวมแล้วมีประมาณ400คนคนเหล่านี้ตั้งใจมาฟังเรื่องโยคะตอนแรกท่านโยคานันทะบรรยายเป็นภาษาฮินดีแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษ หลังจากที่บรรยายเสร็จเรียบร้อยคณะเล็กๆของเรากลับมาถึงอาสมท่านได้เห็นท่านมหาตามะผู้กำลังมีสมาธิอยู่กับการตอบจดหมายเพียงแวบหนึ่งชดเชยแทนการกล่าวราตรีสวัสดิ์ข้าพเจ้าตื่นนอนตอนตีห้าฟ้ายังมืดอยู่แต่ผู้คนในหมู่บ้านก็ลุกขึ้นมาทำการงานของตนกันแล้ว สิ่งแรกที่เห็นคือเกวียนเทียมวัวอยู่ตรงข้ามประตูอาสมตามมาด้วยภาพชาวนาเทินของที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักเอาไว้บนศีรษะดูหน้าหวาดเสียวว่าจะเอียงกระเทเร่ตกลงมานักหลังอาหารเช้าคณะของเราทั้งสามคนก็เข้าไปกราบลาท่านมหาตามะผู้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์เช้าตั้งแต่ตีสี่ คืนวันผ่านไปหลายปีนับจากที่ท่านโยคานันทะได้ไปพบกับท่านมหาตามะคานธีที่วารธาแผ่นดินผืนน้ำและท้องฟ้ามืดครึ้มมัวหมนเมื่อโลกผจญกับภัยสงครามท่านมหาตามะเป็นเพียงผู้เดียวในบรรดาผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่เสนอให้ใช้แนวทางแห่งสารติ แทนการใช้กำลังอาวุธเข้าห้ามหันกันในการสลายความขุ่นข้องหมองใจและถ่ายถอนความอายุติธรรมท่านมหาตามะได้ใช้วิธีแบบไอหิงสาซึ่งพิสูจน์ประสิทธิภาพให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ครั้งแล้วครั้งเล่าตัวท่านนั้นแถลงหลักการของท่านเอาไว้ดังต่อไปนี้เข้าระเจ้าพบว่าชีวิต จะยังดำรงอยู่ต่อไปแม้ในท่ามกลางการทำลายล้างดังนั้นกฎที่อยู่เหนือกฎแห่งการทำลายล้างจะต้องมีอยู่อย่างแน่นอนและมีแต่อยู่ภายใต้กฎ ด, ดังกล่าวสังคมที่เป็นประเบียบจึงจะมีปัญญาชีวิตจึงจะมีค่าควรแก่การอยู่ต่อไปท่นั่นคือกฎแห่งชีวิตที่เราจะต้องจัดการในแต่ละวันที่ใดก็ตามที่มีสงคราม ที่ใดก็ตามที่เราต้องผจนกับผู้เป็นประปะักจงเอาชนะด้วยความรักเข้าพเจ้าค้นพบว่ากฎแห่งความรักบางประการเป็นคำตอบให้กับชีวิตของเข้าพเจ้าได้อย่างที่กฎแห่งการทำลายล้างไม่เคยกระทำได้มาก่อนในอินเดียเรามีการสาธิตให้เห็นการทำงานของกฎ ด, ดังกล่าวกันอย่างถนัดชัดตาในขอบขายที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้าพเจ้ามีได้เอ่ยอ้างว่าหลักอหิงสาได้แทรกซึมเข้าไปสู่คนทั้ง3า0ยหกล้านคนในอินเดียแต่ข้าพเจ้ากล่าวได้อย่างเต็มปากว่ามันแทรกซึมเข้าไปได้ลึกยิ่งกว่าหลักคำสอนใดๆในระยะเวลาอันสั้นอย่างเหลือเชื่อผู้ที่จะมีความนึกคิดจิตใจแบบอหิงสาได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างหนักหนาสาหัสเอาการ มันเป็นชีวิตที่อยู่ในกรอบในวินัยไม่ต่างจากชีวิตของทหารความมีอหิงสาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นจะบรรลุถึงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีการกระทำทางกายวาจาใจสอดคล้องต้องกันในทางที่เหมาะสมปัญหาทุกอย่างยอมแก้ไขได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนำเอากฎแห่งสัจจะและอหิงสามาใช้ให้เป็นกฎของชีวิตให้ได้ เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองของโลกที่รุดหน้าไปในทางที่ใช้แต่ความรุนแรงได้ชี้ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความจริงที่ว่าหากไรซึ่งวิสัยทักน์ทางจิตวิญญาณเสียแล้วผู้คนก็มีแต่จะเสื่อมถอยวิทยาศาสตร์ถ้ามีใช่ศาสนาได้ปลุกสานึกอันเลือนรางแห่งความไม่มั่นคงหรือกระทั่งความไม่คงทนถาวรของวัตถุธาตุขึ้นมาในตัวมนุษย์ แล้วทีนี้มนุษย์จะหันหน้าไปทางไหนได้ถ้าไม่หันไปหาแหล่งที่มาและต้นกาเนิดของตนหรือก็คือพระเป็นเจ้าในตัวของเขานั่นเอง <S <S <S คนเราควรรู้จักให้อภัยไม่ว่าจะถูกทําร้ายแค่ไหนหรือยอย่างไรการที่เผ่าพันธ์ทั้งหลายยังดํารงอยู่ต่อเนื่องมาได้ก็โดยการที่คนเรารู้จักให้อภัย การให้อภัยเป็นสิ่งประเสริฐจะกระวานยังเป็นหนึ่งเดียวกันได้เช่นทุกวันนี้ก็โดยการรู้จักให้อภัยการให้อภัยเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดการให้อภัยคือการเสียสละการให้อภัยคือเครื่องย่างความสงบแห่งจิตการให้อภัยและความอ่อนโยน เป็นคุณลักษณะของผู้ที่ควบคุมอัตราแห่งตนได้เป็นปกติวิสัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความดีงามอันเป็นนิรันด์นี่คือข้อความในมหากาศมหาภารตะนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้อภัยเช่นเดียวกัน มหาธรรมคานทีท่านเคยบอกว่าถ้าจำเป็นผมก็ยอมรอต่อไปอีกหลายชั่วชีวิตดีกว่าที่จะใช้ชีวิตนองเลือดไปเรียกร้องเอาเอกราชของชาติกลับคืนมาด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบข้าพเจ้าเรียกตัวเองว่านักชาตินิยมแต่ลทัทธิชาตินิยมของข้าพเจ้านั้นภสศาลเพียงจั ก, กรวาลเพราะว่ารวมเอาทุกประเทศในโลก เข้ามาอยู่ในขอบข่ายนี้ทั้งหมดลัทธิชาตินิยมของข้าพเจ้าไม้รวมถึงความผาสุก ข, ของโลกทั้งโลกข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้ประเทศอินเดียเราพังงาดขึ้นมาบนซากปรักหักพังของชาติอื่นไม่ต้องการให้อินเดียเราเอารัดเอาเปรียบมนุษย์แม้สักคนเดียวข้าพเจ้าประสงค์ให้อินเดียเข้มแข็งเพื่อที่เธอจะสามารถส่งถ่ายความเข้มแข็งนี้ไปสู่ชาติอื่นไม่ใช่แบบยุโรปในทุกวันนี้ ที่ไม่มีแม้แต่ชาติเดียวที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันครั้งหนึ่งเคยมีคนกล่าวกับมหาตามะคานธีว่าท่านมหาตามะขอรับท่านเป็นคนพิเศษ คิดไปจากคนทั่วไปแต่ท่านจะหวังให้คนทั้งโลกทำตามอย่างท่านคงไม่ได้ท่านมหาตามรคันธีตอบว่าน่าประหลาดเหลือเกินที่เรามักหลอกตัวเราเองคิดเอาว่าสามารถทำร่างกายให้ดีขึ้นได้แต่ไม่อาจปลุกอำนาจที่แฝงเร้นอยู่ในจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นได้ผมพยายามทำให้คนอื่นๆเห็นว่าถ้าแม้ว่าผมมีอำนาจเหล่านั้นอยู่จริง ผมก็ยังอ่อนแอและตายเป็นเหมือนกับพวกเราคนอื่นๆอยู่ดีและผมก็ไม่เคยมีความพิเศษพิสดารมาก่อนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอยู่นั่นเองผมเป็นแค่คนธรรมดาที่ทำความผิดพลาดได้เหมือนมนุษย์เดินดินทั่วไปแต่ผมอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะยอมรับความผิดของตนและย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่ทั้งนี้เพราะผมมีศรัทธาอันแน่วแน่ในพระเป็นเจ้า และพระเมตตาของพระองค์มีความนิยมยินดีในสัจจะและความรักแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในตนเองอยู่แล้วหรือถ้าเราค้นพบสิ่งใหม่ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกที่อยู่ภายใต้ใตกฎธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องประกาศความล่มสลายในอนาณาจักรแห่งจิตวิ ญ, ญญาณของเราด้วยหรืออย่างไรมันจะเป็นไปไม่ได้เลยชิวหรือ ที่จะเพิ่มจํานวนข้อยกเว้นทั้งหลายเข้ามาแล้วทำให้มันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไปเสียเลยคนเราต้องทําตนเป็นสัตว์ป่าแล้วค่อยเป็นมนุษย์ทีหลังทุกครั้งไปเช่นนั้นหรือมีเรื่องราวที่คนอเมริกันยังคงจดจำและภาคภูมิใจในการสำเร็จของการทดลองที่ไม่ใช้ความรุนแรงของวิลเลียมเพนในการก่อตั้งอนาณิคมที่ รัฐเพนซิลเวเนียในศตรวรรษที่17นะคะที่นั่นไม่มีป้อมไม่มีทหารไม่มีกองกำลังหนุนไม่มีแม้กระทั่งอาวุธในท่ามกลางการรบราฆ่าฟันตามแนวพรมแดนอย่างเฮี้ยมโหดระหว่างผู้มาตั้งรกรากใหม่กับชาวอินเดียนแดงมีแต่พวกนิกายควเกอร์ aker, แห่งเพนซิลเวเนียเท่านั้นที่อินเดียนแดงเนี่ยไม่มาแตะต้องรบกวนแต่ว่าพวกอื่น ที่เหลือถูกฆ่าตายบ้างถูกสังหารหมู่บ้างมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่ปลอดภยัยสตรีนิกายควเคเกอร์ไม่เคยถูกทำร้ายเลยแม้แต่คนเดียวเด็กชาวควเคเกอรก์ก็ไม่เคยถูกฆ่าบุรุษชาวควเคเกอร์ก็ไม่เคยถูกจับไปทรมานท้ายที่สุดเมื่อพวกควเคเกอร์ถูกบีบให้สละอำนาจในการปกครองรัฐเพนซินเวเนียสงครามก็ปะทุขึ้น มีชาวเพนซินเวเนียถูกฆ่าตายเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ชาวควกเกอร์ตายกันแค่3คนเท่านั้นเป็น3คนที่สูญเสียความแน่วแน่ในศรัทธาแล้วก็หันไปจับอาวุธขึ้นมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันแทนการใช้กำลังในสงครามใหญ่ไม่อาจนำความสงบกลับคืนมาได้ชัยชนะและความปรชาชัยล้วนไร้ประโยชน์ บทเรียนในครั้งนั้นเป็นสิ่งที่โลกพึงเรียนรู้เอาไว ransom. อันนี้แฟรงคินดีรูสเวลประธานาธิบดีคนหนึ่งของอเมริกานะคะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ <dele> <P anden> ่งผมต่อสู้เพื่อสันติภาพของโลกเท่านั้น ากระแสะการเคลื่อนไหวของอินเดียเราประสบความสำเร็จจากการใช้หลักสัตยาเคราะห์ที่มุ่งเน้นการไม่ใช้ความรุนแรงมันจะให้นิยามความหมายใหม่กับคำว่าชาตินิยมและหากเป็นไปได้ผมก็อยากจะขออนุญาตกล่าวว่าเป็นการให้นิยามใหม่กับชีวิตด้วย นี่คือในบทที่44นะคะซึ่งกล่าวถึงการพบกันกับท่านมหาธรมะคาร์ทีค่ะและนี่เป็นตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องชีวิตโยคีอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือนี้ในหนังสือนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากแล้วก็มีภาพถ่ายของท่านสียุคเตสวนของท่านลาฮิริมหัสยะและที่สําคัญของท่านปรมหังษายโยคา น, นันทะ ซึ่งท่านปรมาหังสายโยคานันทะนะคะท่าน เ, เข้าสู่มหาสมาธิอันนี้หมายถึงการละสังขารโดยคงจิตสำนึกเอาไว้ของโยคีท่านเข้าสู่มหาสมาธิจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่7มีนาคมปีคริสต์ศักราช1952นกค่ะณ น, นครลอสแองเจลิสขณะจบคำกล่าวปาตะกะาถา ในงานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติแก่ท่านเอกอักรษรัชทูตอินเดียพิ่นัยอาเซนปรากฏว่าหลายสัปดาห์หลังการจากไปของท่านใบหน้าซึ่งไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆฉายให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ผ่องใสไม่เปื่อยเน่าคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่า ศพของท่านหรือว่าร่างของท่านนี่นะคะไม่เน่าเปื่อยอะค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นระเหยออกมาเลยซึ่งฝรั่งก็พากันตื่นตะลึงอย่างยิ่งนะคะกับปรากฏการณ์นี้ในปี1977ค่ะ ในโอกาสวันครบรอบ25ปีแห่งการเข้าสู่มหาสมาธิของท่านปรมาหังษาโยคานันทะรัฐบาลอินเดียได้ออกสแตมที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในการประกาศใช้สตมดังกล่าวรัฐบาลกล่าวยกย่องและแสดงความเคารพด้วยข้อความที่ปรากฏอยู่ในแผ่นพับที่แจกจ่ายไปพร้อมกับสแตมในวันแรกใช้ความบางตอนมีว่า ความรักสูงสุดที่มีต่อพระเป็นเจ้าและการอุทิศตนให้บริการแกม่มวลมนุษยชาติปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของท่านปรมหังษายโยคานันทะแม้ท่านจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศอินเดียแต่ท่านโยคานันทะยังคงมีที่เฉพาะของท่านสถิตร่วมอยู่กับเหล่านักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของเรางานของท่านยังคงเติบโตต่อเนื่อง ใช้แสงเรืองรองยิ่งกว่าเดิมดึงผู้คนจากทุกคนแห่งสู่เส้นทางแห่งการสแสวงบุญสู่พระเป็นเจ้า When this shall die. ปัจจุบันนี้นะคะหนังสือผลงานการประพันธ์ของท่านปรมาหัหางสายโยคานันทะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอกริยายโยคะเรื่องของคมคำสอนแนวทางการปฏิบัติ อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคม Self Realization Fellowship หรือว่า SRF ค่ะ <I am S 1> ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเพียง <I am S 1> แค่พิมพ์ชื่อท่านประมะหังสายโยคา น, นันทะก็จะมีภาพและเรื่องราวของท่านปรากฏขึ้นมา <I am. S 2> นี่เป็นสถาบันที่ท่านก่อตั้งขึ้นนะคะ Self Realization Fellowship ค่ะ สำหรับดิฉันเองได้รับหนังสือเล่มนี้มาจากอาจารย์ประมวลเพ่งจันนะคะขอบคุณอาจารย์ไว้นาที่นี้ด้วยหนังสือเล่มนี้ชื่อเต็มๆว่าอัตตะชีวประวัติของโยคีค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะก็ขอจบเรื่องชีวิตโยคี จากหนังสืออัตะชีวประวัติของโยคียของท่านปรมาังษายโยคานันทะเอาไว้ณที่นี้แล้วก็ขอปิดฉากห้องสมุดหลังไม่เอาไว้ณที่นี้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ